بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و ا ل م ر س ل ي ن وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان للا يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ا ل l a h u m m a bika أصبحنَا وبيكا أمسينا وبيكا نموت وبيكا نحيا ويليكن نشور Allahumma أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستحقته أبوهلاك بني عمتك عليه و أبوه ب ذ ن ب ฟกฟร์ลี فإنّه لا ي ْ ف ر ُّ ن و ب إلّا أنت اللهم إني أعوذ بك من شرّ ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศุภทุกทุท่านครับ الحمد لله เช้าเช้าอย่างนี้ ถ้าอยู่ที่บ้านกันน่าจะอ่านนมาศเสร็จแล้วก็เอาเอากุรานมาอ่านสักห้าอายะสิบอายะขอให้อ่านเป็นประจำพอการอ่านคุรานเนี่ยทําให้หัวใจสงบการทําให้หัวใจสงบเนี่ยมันมีอยู่สี่แบบด้วยกันนะแบบที่หนึ่งก็คืออ่านกุรานทบทวนคุรานศึกษาหาความรู้จากอัลกุราน ยิ่งเราเนี่ยอายุแยะแล้วโคสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรดีเท่ากักบไปหาอัลลอฮ์ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้มากที่สุดนะครับอย่าทำบาปบาปเนี่ยเลิกเลิกเด็ดโดยเด็ดขาดนะนะตั้งใจเลิกเด็ดขาดไม่ทำแล้วบาปมนาะเลิกแล้วทำแต่ของดีๆอย่างเดียว ไอ้ของดีนะี่ยอย่าคิดเองทําความดีนะี่ยอย่าคิดเองถ้าคิดเองเนี่ยผิดให้ทําความดีเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ทําความดีเพราะอัลลอฮ์สั่งทําความดีโดยมีรูปแบบรูปแบบที่มาจากท่านน บ, บีมุ hammad صلى الله عليه وسلم เพราะฉะนั้นการทําความดีต้องมีรูปแบบอันนี้เราฉลาด คนที่ทําความดีแล้วนึกเองว่าเป็นความดีไม่มีครับในอิสลามไม่มีนี่พี่น้องเราหลายคนที่เข้าไปอ่านกูอ่านในกูโบนั่นคิดเองทั้งหมดน่ะคิดว่ากูกูอ่านดีไหมดีอ่านกูอ่านดีไหมดีแล้วไปอ่านผิดที่ไปอ่านในกูโบเนี่ยนบีห้ามไม่ให้อ่านกูอ่านในกูโบฉะนั้น คิดผิดเนี่ยเชื่อผิดคิดผิดแล้วก็ทําผิดผลบุญไม่ได้คนที่รากลัวเน่ยกลัวจะรับการลงโทษจะเอาล่ออีกก็ได้ไปอ่านผิดที่อย่างก็นมาดเนี่ยเอาล่อห้ามไม่ให้นามาดเจ็ดแห่งด้วยกันอะ่ะบางคนไม่รู้แต่ว่าการอ่านกัมอีร์ในกัโบเนี่ยคนระดับระดับมาอ่านกันนะพวกสารบันานาใหญ่ๆทั้งนั้นแหละอ่านอ่านกันใช่ไหมแต่ที่ช า, าวชาวบ้านเห็นก็นึกว่า เออเขาอ่านกันนะเใช่ไหมไอเราชาวบ้านก็ไปอ่านกันอย่างนี้เป็นต้นอเพราะฉะนั้นความดีเนี่ยอย่าคิดเองนะความดีอย่าคิดเองเมื่อครั้งที่แล้วะเราเราพูดว่านรกมีทั้งหมดกี่ขุมนะเจ็ดเจ็ดขุมนะนรกนรกมีเจ็ดขุมมีชื่ออะไรบ้างอะ่ะ ท่านที่เบาที่สุดนะ่ะเขาเรียกว่ายะหันนำคงจะจำนะจะหันนำจะหันนำเนี่ยอลอสจะหันนำนี่เบานะเบามากไม่แรงหรอกไปยืนบนฐานสองก้อนแล้วก็เดือดที่เนี่ยที่สมองเนี่ยนะเดือดพลัดพลัดยืนบนฐานสองก้อนนะ่ะ นั่นอลัลลอฮ์เตรียมนรกไว้สําหรับคนที่คนที่รู้จักอลัลลอฮ์คนที่เชื่ออลัลลอห์ปฏิบัติตามอลัลลอฮ์นะแต่ทําบาปด้วยมีเยอะไหมเยอะเป็นมุสลิมแต่ทําบาปเป็นมุสลิมจะทําผิดเนี่ยอลัลลอฮ์เตรียมนรกในชื่อว่าจารันนำแล้วก็อันที่สองเรียกว่าลาฮอ ลาอนะรอในคุณอ่านมีพี่น้องอ่านอจจะเจอคำว่าลาอรอลาอรอนี่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับคนยิฮูดีคนยิวคนยิวและอันที่สามเนี่ยเรียกว่าฮุตอมอัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับคนนาซารอพี่น้องชาวคริสพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชาวคริสกับชาวยิวก็นับถืออัลลอ์เหมือนเรานี่แหละแต่เขาตกนรกทาไมอ่ะ สาเหตุที่ตกนรกเพราะคนสองกลุ่มเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ก็จริงแต่ทำชีริกทำชีริกแบบแบบเปิดเผยเลยนะก็คือประกาศบอกว่านาบีอนานบีอิซาเป็นลูกอัลลอฮ์กับอูเซสพวกยิวว่าอุเซสอูเซสจเป็นอุลมาคนหนึ่งที่เอาตำรับตำรา เอามาสอนเนี mind, ่ยเอามาใช้เอามาปฏิบัติเนี offices, ่ยไปฟื้นฟูศาสนายิวนะนะก็เลยมองว่านี่เป็นลูกอัลลอฮ์เป็นคนธรรมดานี่แหละยกเป็นลูกอัลลอฮ์สุบฮานอ阿拉อัลลอฮ์โกรธมากเลยอาจถือว่าโกรธรู้ยังไงอ่ะพ่อเราอ่านคุรานอ่านว่าไงนะกุลหูวอัลลอฮ์หัวอาฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซัมัด อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยาลิดอัลลอฮ์ไม่มีลูกวันลัมยูลัดและอัลลอฮ์ไม่มีพ่อแม่วันลัมยาคุลลาหูกูฟูวันอะฮัดและไม่มีอะไรในโลกนี้เหมือนอัลลอฮ์ทางการที่ยาฮูดีนอัลอนีสองศาสนาเนี่ยเมาหรือมองว่าอัลลอฮ์มีลูก นั่นเป็นการทำบาปที่อัลลอ์พูดในกัรปีกรุรอานในยางอื่นว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรูอายุชรอกับิฮิวยักฟิรูมาดูน่าลิกาลิมัยะชะอัลล์ไม่อภัยนะคนที่ทำชีริกต่ออัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ไม่อภัยโทษให้เห็นไหมหนักนะเวลากินแต่อัลลอ์เนี่ยจะอภัยโทษในความผิดอื่นๆ ผิดเพราะทำชิริกเนี่ยอัลลอฮ์โกรธมากเลยอัลลอฮ์ไม่ยอมอภพยโทษให้ดะนั้นถ้าต้องการจะให้อัลลอฮ์อัพยโทษจะต้องอะไรนะเตาบ้าตัวตออัลลอฮ์สุบฮานุนลลาเซก่อนพอตาบ้าตัวแล้วอัลลอฮ์ก็จะอภัยาโทษให้แต่เนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่เตาบ้าส่วนใหญ่ไม่เตาบ้านะครับอลัลลอมิยฮูดีดินรับอิสลามมีไหมมี นสอรโรพี่น้องชาวคริสต์รับอิสลามมีไหมมีเยอะเนี่ยในอเมริกาเนี่ยรับกันเยอะในฝรั่งเศสเนี่ยฮัมจ้าน่ะเป็นอะไรคริสมาก่อนใช่ไหมอ่ามารับอิสลามเนี่ยคนอย่างงี้เป็นคนดีหมดน่ะใช่ไหมเราก็เข่งขัดดีกว่าแงแล้วอีกนะอะต่อมาครับนรกขุมที่สี่เรียกว่าอัสายิ์ ซาอุเนียอัลลอฮ์ เ, เตียไว้สำหรับพวกมาจูซีพวกบูชาไฟพวกบูชาไฟแล้วพวกบูชาไฟเนี่ยเนี่ยพวกดวงกาบดวงอาทิตย์ดวงจันที่กาฟไฟทั้งหมดนะ่ะนะแล้วก็ต่อมากลุ่มที่หกได้ชื่อว่าอัลจารีมอัลจารีมนี่คนมุชริมเลยเนี่ยคนที่ตั้งตัว ภาคีกับอัลลอฮ์เลยใช่ไหมนับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือโตะตะเกียด้วยยกตัวอย่างนะแล้วก็นับถือก็ได้อีกเจ้าพอ่อเจ้าแม่อันที่หกเนี่ยสําหรับมุชริีนอันที่เจ็ดเนี่ยมุนาฟิกินคนมูนาฟิกคนมุนาฟิกเนี่ยคือทําตัวมุสลิมทําตัวเหมือนมุสลิมในสมัยท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ย ถ้าอัลลอฮ์ไม่แจ้งถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้จิบริษมาบอกนบีนบีไม่รู้เหมือนมุสลิมทุกอย่างเลยแต่ว่าในใจเขาไม่รับมานั่งนั่งอยู่กับนบีแหละไอ้ที่มานั่งนะ่ะมาจับผิดนะอามาอยู่กับท่านนาบีมุนนามงนามาศเหมือนนบีทุกอย่างน่ะแต่สังเกตทําคนมุนาฟิกนี่เวลานามาศเนี่ยเพื่อการโอ้อวด นามาศนี่เมื่อเข้าเวลาไม่ยอมนามาศนู่นน่ะคุยคุยอยู่ทั้งใกล้ๆจะหมดเวลาเนี่ยเราไปรีบนามาศอย่างนี้พวกเราก็ถูกเยอะนะดูมวยดูละครเนี่ยนะตนลงว่านารกเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเจ็ดขุมและขุมแรกเรียกว่าย a h r e น n a เนี่ยไปน้องครับนี่ถ้าเราไม่เรียนนะเราไม่ฟังศาสนาเราไม่รู้ พอฟังศาสนาแล้วเขาได้รู้ได้เข้าใจใช่ไหมก็ได้ระวังตัวพวกเราเอาทีนี้วันนี้เรามาถึงอายาที่หกสิบเอ็ดเราก็คุยถึงเรื่องอะไรนะเรื่องนบีลูตอะัยฮิสาลามพี่ต้องต้องนึกภาพนะนบีลูธเนี่ยเป็นคนดีมาสอนศาสนาที่ประเทศ เนี่ยประเทศที่ ท, ที่เป็นเดซีที่เป็นทะเลตายเดซี sea, นะบาฮูนไมยตเนี่ยที่ประเทศจอร์แดนเนี่ยซึ่งเราก็ไปเที่ยวกันเยอะไปไว่ายน้ำกันไปลงไปในทะเลบ้างไปนั่งเอาโบอี้ไปวางไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอะไรเนี่ยเอามาลงข่าวหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ย แต่คนสว่วนให ญ, ญ่ไม่รู้นอกจากคนที่อ่านคุรานเท่านั้นแหละที่รู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ที่ดีหรือเป็นที่ที่เลวด้านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถ้าอ่านฮะดิษเยอะๆ เ, เขาจะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งไปตรงนั้นไปเพื่อหาความรู้ไปเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปเพื่อที่จะทำให้ตัวเรานั้นเลิกทำความชั่ว แล้วก็ไม่ใช่ไปหาความสุขตรงนั้นไปให้นึกถึงอดีตไอ้คนที่ไปเนี่ยจะต้องระวังตัวตลอดเวลาเพราะว่าอาสาบอาจจะซ้ําอีกครั้งหนึ่งก็ได้แบบที่พี่น้องไปเที่ยวชายหาดที่เกิดเซอร์นามิอ่ะคล้ายๆกันตรงนั้นอ่ะวันนี้พี่น้องคนส่วนใหญ่ถ้าอ่านคุรานถ้าอ่านฮะดีสนี่ยนะเวลาไปเดินตรงนั้นวันนี้ต้องเหมือนกับเดินในที่ทีไรนะ บาหรุนไมยิตอที่เดซีเนีเหมือนกันนะครับของเราเนี่ยร่องรอยยังมีอยู่ให้เห็นนะร่องรอยยังยังมีอยู่ให้เห็นผมเนี่ยคุยกันในไปภูเก็ตเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีมุสลิมคนหนึ่งมาเล่าคนบ้านเราเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าน้ําขึ้นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหขึ้นบนบ้านเลยนะขนาดเอวเนี่ยมันก็ลงหายไปอีกครึ่งชั่วโมงมาอีกทีหนึ่ง ทั้งหมดเลยตายหมดเลยไอตอนขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเออขึ้นมาเนี่ยเขารู้แล้วเนี่ยปัญหาจะต้องตามมาพัดลมไปอีกทีนึงอีกครึ่งชั่วโมงมาอีกทีเดี๋ยวนี้มาแบบวายเลยเพล็บเนี่ยเป็นการเรียกเป็นอาดาบที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาบูบาาัลลาเดี๋ยวอ่านกรุ๊กอานวันนี้พบฟารัมมา ย a อ a ลูลติลมุซซาลูนยะอาแปลว่ามาอาร ล, ลูแปลว่าบริวารของลูตมาถึงพวกของลูตอัลมุ s a l ลูหมายถึงผู้ที่ถูกทรงมาหมายถึงมนาติกะ มาลายกาเนี่ยมาในรูปของมนุษย์ได้ไหมได้ยังยังในสมัยนบีเนี่ยมาลายกาเนี่ยลงมาหานบีบ่อยมากทุกนบีอัลมาลายกาลงมาจิบร้น ล, ลงมาเองบางทีมาเนี่ยมาในรูปของของคนมานั่งคุยกับ น, นบีแบบนี้แหละฉะนั้นการที่มาลายกามาเนี่ยมาได้สอง สองอย่างหนึ่งมาเล่าเรื่องของดีๆกับสองนำอาซาบมาที่เราควนละควรนาอาซาบมาแต่ส่วนใหญ่นี่นะครับมลายกาจะเอาของดีๆเขาเรียกว่าข่าวดีมาเล่าอย่างครั้งที่มาหานาบีลูลเนี่ยกับนาห า, าอับดบร์ฮิมเนี่ยมาในช่วงเดียวกัน นบีอิบราฮิมกับ น, นบีลูดเนี่ยเป็นนบีในสมัยเดียวกันนะแต่อยู่คนละประเทศอยู่อยู่คนละจังหวัดมาทํางานศาสนาเนี่ยนบีมายิบรีนเนี่ยลงมาหาบัลไลกาสลงมาหานบีอิบรอฮิมก่อนมาแจ้งข่าวดีบอกว่าอิบรอฮีมจะได้ลูกจะได้ลูกถามว่านบีอิบราฮิมดีใจไหมดีใจอ่ะ ตอนนี้ก็สงสัยว่าตัวแก่ๆเนี่ยเยอะเยอะแล้ภรรยาก็แก่แล้วจะมีลูกได้ยังไงอัลลอฮฺให้ยิบรินมาหลอกบอกว่าอย่างนั้นก็เถอะถ้าอัลลอฮฺจะให้มีเนี่ยความหวังยังไม่หมดการคนแก่ๆเนี่ยความหวังไม่หมดนะยังหวังยังแต่ปรี๊บอยู่ด้วย ม, มีทางหรอมันยังทําอะไรได้อีกเยอะใช่ไหมยังมีลูกได้ยังแต่งงานได้นี่ก็ได้ข้อคิดจากตรงนี้แหละ อพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อด้วยนะยิบรีนมาบอกนบีนบีไรนะนบีอิบรอฮีมบอกว่าท่านเดี๋ยวจะได้ลูกและลูกผู้ชายด้วยรู้ล่วงหน้าก่อนดีได้ไม่ดีอัลลอฮ์อัลลอฮมันยิ่งใหญ่เหลือเกินได้ลูกผู้ชายเป็นลูกที่อาเลมเป็นลูกที่มีความรู้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอิสฮาร ตั้งชื่อให้ด้วยตรงนี้แหละอัลลอฮมะเขาจึงนําเอาอายานี้มาอธิบายต่อว่ามาต่อยอดว่าถ้าเราจะตั้งลูกตั้งชื่อลูกของเราตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยก่อนได้ไหมได้ก็อัลลอฮ์เล่าให้ยิบรีนฟังยิบรีนก็มาบอกนบีอิบราฮิมว่าลูกชายของคุณคุณจะได้ลูกชายหนึ่งสองเป็นลูกชายที่อาเลมอาลีมแบอว่ารู้ อโลบักรวดดีใจเหลือเกินแล้วก็สามจะเป็นนบีด้วยอันที่สีชื่ออิสฮากด้วยส่วนลงกว่าลูกของท่านเนี่ยปลอดภัยจากอะไรนะจากอะไรนะเกิดเป็นโรคอะไรต่างๆที่เกิดมาเนี่ยไม่สมบูรณ์ดีใช่ไหมลูกภูราวนันนะี้น่ะมันปลอดภัยหมดทุกอย่างเลยเป็นลูกเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเลยมีทั้งความรู้แล้วก็เป็นนบีด้วยแล้วก็มี ได้ชื่อว่าอิสฮากอัลลอฮ์ดีใจนี่ข่าวดีที่อัลลอฮ์บอกกับนบีอิบรอฮิมมาลายิสลามขณะเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปบ้านนบีลูดพอไปบ้านนบีลูดปั๊บเนี่ยใครไปนะมาลายิกาไปตรงนี้มีอยู่สองประเด็นที่ว่ามาลายิกามาในรูปร่างที่เป็นคนรูปเป็นคนหนุ่ม เป็นคนนมรูปหลอ่อไอรูปหลอ่อเนี่ยเขาดูกันที่ไหนเนี่ยเขาดูกันที่หน้าตาคาว่าฮูซาห์นุลวะจห์หน้าหล่อมากเลยนี่อิบรีฮมาทีนี้พอลงมาที่บ้านเข้าไปในบ้านเลยนะเข้าไปในบ้านของนบีลุตก็ให้สละงสลามรับสลามแบบเข้าบ้านนบีอิบรอฮีมนั่นแหละนี่มารยาทในการเข้าบ้านคน ยิบรีนมาสอนวิธีการเข้าบ้านหนึ่งให้สลามเราก็เข้าบ้านเราก็ต้องให้สลามเนี่อุลมามะมาต่อยอดทั้งหมดยิ่งสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยนบีสอนละเอียดมากเลยแขกที่จะไปเป็นบ้านใครก็ตามให้บองมาลายกาเป็นแบบเพราะนาบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นคนแรกที่ต้อนรับแขกของโลกและโลกวันนี้เนี่นะเอาซุน่านาบีอิบรอฮีมมาใช้ทั้งหมดนั่นแหละ แค่ท่านการต้อนรับแขกเป็นของดีแค่ท่านคนที่มีแขกมาเยี่ยมมากๆในบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่มีบารากะแตอนนี้นบีเลยสั่งเนี่ยในบ้านเนี่ยอย่าอะไรนะอย่ามีรูปภาพมารูปถ่ายถ่ายถ่า ย, ายไว้อะหรือว่ารูปจเจวิตรูปนวลรูปนี้รูปบูชาเนี่ยห้ามห้ามอะไรนะห้ามเก็บไว้ในบ้านของเราสองรูปตัวเราเอง รูปของลูกสาวเราลูกชายเราที่จบปิญญาเนี่ยพี่น้องที่ไปถ่ายแล้วก็มีคนสำคัญสาคัญมามอมมบให้เนี่ยอันนั้นก็อย่าแปะไว้ที่บ้านรวมไปถึงรูปของพ่อแม่ของเราเองที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมขยายให้มันใหญ่แล้วก็ใส่กอรอบมาไว้ถ้าเป็นคนฝั่งคนนูน้นโอเคไม่มีปัญหาหรอกแต่รำคนฝังคนนี้ อยู่กล้ชิดกับคําสั่งของอัลลอฮ์ก็ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรมลายิกาจะไม่เข้าบ้านแต่ที่มลายิกาประเภทไหนที่ไม่เข้าบ้านนี่ไงมลายิกาอย่างนี้นะมลายิกามลายหนะ้าที่มาให้ความดีเป็นพิเศษให้รหกมากความเมตตาเป็นพิเศษมามอบให้เนี่ยมลายิกาเหล่านั้นจะไม่มาเพราะว่ามลายิกาจะไม่เข้าบ้านบ้านที่เลี้ยงหมากับบ้านที่มี รูปภาพรูปเจเวตหรือรูปภาพตัวเองตอนนี้บางคนรูปก็ไม่มีหมาก็ไม่มีแต่จะของบ้านเป็นหมาซะเองวัตถาก็ไม่มาอยู่เหมือนกันนะชอบดาชอบนู้นชอบนี้ก็ต้องระวังนะต้องระวังก็ต้องระวังตัวเราให้ดีนะก้ อ, ะอิา น, นักุมก้าวมุมมุมกระรูนน บ, บีลุดกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเนี่ย เป็นหมู่ชนแปลกหน้าคำว่าแปลกหน้าไหมถึงเราไม่รู้จักคนนี่มากันสามคนนะมาลัยกาเนี่ยมาสามท่านเข้ามาในบ้านเอเราไม่เคยรู้จักหน้าไม่เคยคุ้นเลยนี่มันคนแปลกหน้าเห็นไ้ยอ้าวต่อการจะบอกเหมือนกันนะ่ะคนที่แปลกหน้ามาบ้านเราเนี่ยถ้าเขาให้สลามเนี่ยไอความรู้สึก เป็นศัตรูเนี่ยมันก็ลดแล้วนะถ้ามาแบบไม่ให้สลามอะมายืนหน้าบ้านเนี่ยเราชักเสียวๆยิ่งเรามีคดีเยอะๆเอ้มันมาก็ยังไงแนะ่แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งมายืนหน้าบ้านอัศลามอะไรกุมแล้วไม่เคยรู้จักด้วยแล้วขอเข้ามานั่งในบ้านเนี่ยถ้าให้สลามแล้วนะถ้าพวกสารบันนะพอใส่หมวกมีนวลมีข่าวอย่างนี้ ไอ้ความหวาจัวเนี่ยมันก็ลดลงน้อยลงถึงจะไม่รู้จักกันก็นเถอะถ้ามีสลามาเนี่ยมันเบาไปนะครับทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าคนที่มาเนี่ยมาในทางที่ดีนะอาจจะนั้นนบีนบีลุตบอกว่าแท้จริงพวกท่านเป็นหมู่ชนแปลกหน้านะเราเราไม่รู้จักก็ดูพวกมาลาอิกะสามท่านกล่าวว่า บาลจินากบิมากานุฟิยัมตารูนเรามาด้วยเรื่องคือจะนำเอาเรื่องพินาศเนี่ยที่พวกเขาได้เยาะเยะ้ยที่พวกเขาสงสัยยัมตารูนแปลว่าสงสัยต้องการจะมาบอกนะบีรูธว่ามาอลยก้มาวันนี้นะ่ะ มาเอาเรื่องไม่ดีมาแจ้งให้นบีรู้เหนยังจะนําเอาเรื่องพินาศความอายะนะมาแจ้งให้รู้เนี่ยจากอาย่านี้ทําให้เราเข้าใจเพิ่มว่าคนที่ได้รับความสาเร็จที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในเมื่อคนที่ไร้ศรัทธา คนไม่เอาศาสนาอาลัลลอ์ให้มลายิกามมาแจ้งว่าพวกเขาจะได้รับการลงโทษนะททำให้นบีเข้าใจเลยเราเองก็เข้าใจใช่ไมน่ะและตรงกันข้ามเนี่ยแล้วก็คนที่เอาศาสนาเนี่ยอลัลลอ์ก็จะต้องส่งมลายิกามมาบอกอีกเหมือนกันว่าผู้ศรัทธาทั้งหมดนี่ปลอดภัยนะอลัลลอ์ไม่ลงโทษนะอลัลลอ์จะคุ้มครองดูแลรักษา ชีวิตของเขาทราพย์สินของเขาครอบครัวของเขาให้ปลอดภัยจากการลงโทษยังมีอายาอื่นอัลลอประทานัำพิกลอาลงมาบอกว่าอาณาลาอักล<ม>ีบันนาลาอักลีบันนาอาาวซูลีฉันนี่นะจะชนะและรอซูลของฉันทุกคนที่อัลลอส่งมาทำม า, าศาสนาในโลกนี้จะชนะหมด คำว่าชนะหมายความว่าไม่ได้รับการลงโทษใดๆจากอัลลออาจจะถูกรังแกอาจจะถูกต่อว่าอาจจะถูกหัวเราะเยาะบนโลกดุนยาใบนี้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายใดๆถึงกับชีวิตได้นะครับอลัลลอจะกุมพรออย่างนี้เป็นต้นนะครับอลูบันจินากะพวกมาลายกะ สามท่านที่มานี่บอกว่าเรามาช่วยเรามาหาท่านเรื่องความพินาศคือจะมาแจ้งว่าพวกของคุณที่ไม่เอาคุณที่ไม่เอาศาสนานี้จะได้รับการลงโทษเพราะพวกเขาสงสัยย้ำตารูนสงสัยในคำสอนของนบีลูตอะเลยดิสระวันนี้ก็เหมือนกันคนที่สงสัยคาสอนของนบีมุฮัมมัดถูกไหมถูกครับ อย่างครั้งที่แล้วน่ะน้ําท่วมมีคนหลายคนไม่ได้คิดในเรื่องนี้ไงไม่ได้คิดในเรื่องนี้อลัลลอฮ์ไม่ลงโทษคนทําผิดด้านอื่นๆหรอกเรื่องชีริกนี่อลัลลอฮ์เอาโทษแน่แต่จะช้าหรือไวเท่านั้นเองท่ท่านเราทุกครั้งนะเมื่อได้รับมุซีบมาเนี่ยใช่ไหมมีความเดือดร้อนมาอยู่ในครอบครัวต้องนึกเออเราได้ทําอะไรผิดหรือเปล่านะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผิดไหม อาแค่คิแค่แค่อธิตย์พออย่าคิดยาวเพราะว่าผลงานของเราถูกนำเสนออาทิตย์ละกี่ครั้งนะสองครั้งวันจันทร์กับวันพรหัต ต, ต้องนึกอย่างนี้เลยนำเสนอไปแล้วแล้วเรามีมุสีบ้างมีความเดือดร้อนแม่ไม่สบายลูกไม่สบายตัวเองไม่สบายมีความเดือดร้อนต้องนึกเอ๊ เราทําอะไรผิดการล่อหรือเปล่านะสํารวจดูตัวเราเงินทองพาเข้าบ้านของหระรามมีเปล่าแล้วลูกเราล่ะนมาตย์เปล่าภรรยาเราแต่งตัวถูกต้องไหมออกนอกบ้านต้องนึกครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยวันต่อวันนายพี่น้องยิงสังคมแบบนี้จะงต้องนึกเยอะนะครับเอาต่อมาครับ ว่าอาใจน่าแก่บิลฮักกีว่าอินน่าลาซาดีคูนอายาที่64และเราได้นำเรื่องจริงอาใจนากะเราได้นำเนี่ยมาแจ้งให้แก่ท่านบิลฮักกีเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ต้องการจะบอกว่าที่มาลายกะลงมาบอกนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีเรื่องโกโหกเนี่ยทาให้เราดีมานเพิ่มหรือพูดง่ายๆว่าของที่เอาล่อให้กับยิบรีนยิบรีนมาบอกนบีแม้แต่นบีมุฮัมมัดคนสุดท้ายเนี่ยที่เราอ่านคุณอ่านอยู่ในขณะนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหก ทำให้เรามั่นใจว่าคําสอนของอัลลอฮ์นั้นเป็นเรื่องจริงพอเรื่องจริงแล้วเนี่ยพี่น้องไม่เสียเวลาเลยที่มานั่งมาฟังตัปสีด ท, ท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านกับฟังทีวีไปด้วยเนี่ยไม่เรื่องจริงทั้งหมดนะเรากําลังเรียนเรื่องของจริงๆไอ้กฎหมายบ้านเมืองเนะ่ยเรื่องโกหกทั้งหมดนะใครนะ่ะทําไมจะพูดว่ากโกหกละ่ะเพราะมานุษย์ คิดขึ้นมามนุษย์คิดขึ้นมาแล้วปฏิบัติตามมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่มีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอลัลลอฮ์นะแต่ถ้าหาว่าความดีนั้นเนี่ยมาจากอลัลลอฮ์สิใช่ไหมและเราปฏิบัติตามคําสั่งอลัลลอฮ์มีผลรืบุญตอบแทนจากอลัลลอฮ์ชันั้นของที่มนุษย์คิดเนี่นะไม่มีรางวัลเลยนอกจากคิดตามอลัลลอฮ์เท่านั้นเองอย่างจัดผ้าระดูร้อนอย่างเงี้ย ใช่ไหมเราเอาเด็กมาสอนมาเด็กมาฝึกนมาดเอาเด็กมาอยู่ค่ายอบรมให้ตื่นนมาสุโบต ร, ตรงเวลายังนี้มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอ์ทั้งหมดใช่ไหมลนะ่ะอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าไอ้ความคิดอื่นๆที่มันข้านต่ออัลลอฮ์เราซูลเน่ยเยอะอันนั้นผลบุญไม่มีนะครับวาใจนากบิลฮักติเราได้นำได้เราได้นำเรื่องจริง เกี่ยวกับการลงโทษนี่นะมาแจ้งแก่ท่านว่าอินน่าลาฟอดีกูแต่แท้จริงเราอัลลอฮ์เรามาจุนอัลลอฮ์ที่นี้นะว่าอินน่าเาฟอดีกูเป็นผู้ซื่อสัตย์แน่นอนอัลลอฮ์เนี่ยตั้งมาลายกามาก็เป็นเรื่องจริงแต่งตั้งนบีลูตมาก็เป็นนบีจริงแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดเนี่ยนำ คุรานเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่เรื่องโกหกเลยนะทีนี้คําว่าอัลฮักเนี่ยอุลมามะก็ต่อยอดดีอุลมามะก็ต่อยอดลงไปอย่างนี้คนที่เอาศาสนาเนี่ยคนที่เอาศาสนาคือเอากิตาบุลลอะและสุนนะของท่านนาบีนี่นะครับพี่น้องเขาเนี่ยอยู่กับความจริงแล้ว แล้วก็คนที่ไม่เอากีตาบุญล้อและไม่เอาสุนนะเนี่ยเขาหลงทางเพราะว่าของที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านจิบรีนมาหาอบเี๋ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะอาจจะนั้นวันนี้เราเรียกรองตัวเราเองและพี่น้องของเราลูกของเราภรรยาเราให้สนใจศาสนาผ่านกีตาบุลล้อและสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ อัตอมาอายาที่หกสิบหาและอิ بأهل ك ب ق ط ع ٍ من الليل و ت ب ع أدبارهم و د ا ي ل تفث منكم أحد وامدوه ي س و ت มาูนอลัอลลอัลลเล่าเล่าละเอียดฟอัสีบอลิกแปลว่าจงเดินทางมลัยกามาสั่งนะสั่งนบีลูดเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยจงเดินทางกับครอบครัวของท่านอาฮลิกแปลว่าครอบครัว จนเดินทางมาถึงสั่งให้ฮิจรารนะ้อนนะตรงีสั่งให้ฮิจจาร้อแล้วถามว่านาบีทุกคนที่มาในโลกนี้อัลลอ์สั่งให้ฮิจารอไหมฮิจจารอทุกนบีเลยนบีมุฮัมมัดฮิจจารอ้อจากนาครมักกะไปที่อยู่ที่นครมดีนนะฮิจจารอนไหมฮิจารอนแบบนี้ฟนะสริบิอห ه ل ِ ك า นี่อัลลอฮ์สั่งนบีลุตให้ฮิจโรล อ, ออกเอาหรืออธิบายแบบเราเราพวกเราเนี่ยความรู้จากตรงนี้นะจงเดินทางกับครอบครัวเหมือนกลับไปบอกคนที่อ่านคุูอ่านมุมลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยควรจะพาครอบครัวออกไปไหนมาไหนบ้างตีความได้ไหมได้ Hmm. พาครอบครัวใส่รถไปเรามีลูกมีภรรยาหนึ่งคนลูกห้าอ้าวใส่รถไปขับรถไปไปไหนไปต่างจังหวัดไปภูเก็ตไปยาลาไปใต้หรือขึ้นไปเชียงใหม่ลำพูนลำปางอะไรก็ตามไปกับครอบครัวแต่เวลาไปกับครอบครัวต้องอดุอาเยอะนะเกิดอุซัติเหตุาตายหมดมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่จังหวัด เมื่อสามสามปี4ีปีที่แล้วเนี่ยมากันสามคนพ่อแม่ลูกชายเอาทองมาประมาณร0อยบาทใส่รถมาเนี่ยขับออกจากบ้านตอนตีสามเที่ยงคืนมาได้ครึ่งทางเนี่ยรถมาชนสองคนตายลูกชายไม่ตาย ถ้าท่านอ่านเวลาออกจากบ้านพาครอบครัวไปไหนต้องอ่านดูงอาให้เยอะแล้วขับรถช้าๆอย่าขับแรงทีนี้พอชนพอตายมาสักสองชั่วโมงน่ก็โทรามาหาผมอบอกเอาไงอะ่ะพราว่าบ้านอยู่ไหนก็บอกบ้านอยู่ยุทธยาเอาศพไปยุทธยาเลยญาติพี่น้องางทีทำอะไรไม่ถูกเหมือนมาเห็นศพตกใจนึกไม่ออกจะทำยังไงดีเนี่ย แล้วพี่น้องได้ว่าเราเนี่ยเดินขับรถผ่านมาพอดีพอเห็นแล้วจอดรถเลยไปคนอื่นห้ามเข้าไปเช็คดูมีทองอยู่ร้อยบาทอยู่ในรถเ้าก็ถือไว้แล้วก็เด็กลูกกนเล็กอายุไม่ไม่กี่ขวบเนี่ยรอดมาเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยกำกับทำนี้ทำนี้อย่างนี้อ๋อจะให้เราไปน้ำมาจะนาซากบอกผมไม่ไปแล้จะทาน จัดเองก็แล้วกันเนี่ยพี่โน้ตต้องรับการเดินทางกับขวบโคเนี่ยดีไหมดีเพราะอัลลอฮ์สั่งนบีลุตฮิจิบรีนมาบอกว่าท่านพาข้ควโคท่านออกจากเมืองนี้ไปเลยนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเล่นงานเมืองนี้เห็นยังอ้าวทีนี้ออกเดินทางตอนไหนบิกิดนมินลัลไลล ช่วงของกลางคืนช่วงของกลางคืนให้ออกตอนกลางคืนนี่แหละช่วงไหนก็ได้ออกไปเลยวัตตาเบอะอาเดบาโราห์มและท่านเนี่ยลุ้จจงอย่าตามหลังพวกเขามาเพราะว่าอย่าให้ใครตกครางสักคนหนึ่ง อย่าให้ใครเหลือสักคนหนึ่งครอบครัวของท่านนี่นะเอาออกให้หมดนะอย่าให้เหลือตกค้างสักคนนึงอย่าอย่าเนี่ยอลัลลอฮฺสั่งอย่างนี้เลยนี่นะวาลยัลตาฟิมิงกุมอาฮัดและจงอย่าให้ผู้ใดในหมู่พวกท่านเนี่ยมองกลับเดินข้างหน้าแล้วนะนย่าหันหลังกลับอธิบายอย่างนี้อุลามาอธิบายดีนะหันหลังกลับหมายถึงเป็นห่วง อย่าเป็นห่วงอย่าคิดที่จะกลับมาอีกไปแล้วไปเลยใช่ไห <laughs> ไอความเป็นห่วงนี่แสดงความที่ไอ้ห่วงนะ่ะดีไม่ดีแต่คนชั่วเนี่ยอลัลลอสั่งแล้วนะอย่าห่วงคนชั่วเพราะรอดสอนสอนสอนสอ น, สอ น, สอนมันไม่เชื่อท่านท่านออกออกเลยอย่าไปต้องไปห่วงเดี๋ยวอลัลลอจะเล่นงานเองทีนี้ อัลล์เล่นงานอัลลอ์สั่งให้นบีลุตออกเดินทางในเวลากลางคืนตอนเช้าเนี่ยอัลลอ์ะจะเล่นงานแล้วนี่พี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างข้อคิดเป็นอย่างนี้นบีมุฮัมมัดกับนบีคนก่อนๆเนี่ยไม่เหมือนกันนบีคนก่อนๆนี่นะทำอะไรผิดอัลลอ์ ทรงเล่นงานเลยไดเรกมาจากฝ้าฝ้าเลยตุม้มมาจากฝ้าฝ้าตรงตรงเลยพี่น้องพอมาในะสมัยน บ, บีมุฮัมมัดปั๊บเนี่ยการลงโทษแบบนั้นอัลลอฮ์ยกยกลงโทษแบบไหนครับลงโทษแบบตรงตรงตรเนี่ยไม่มี อัลล์ยกเพรา ะ, ะไรนะเพราะนาบีอ่านดุอาอย่างนี้อัลลอฮ์ประกาศในกครับานคกุรอานว่ามาการอัลลอหมูอาลบะฮุมอัลลอ์ะจะไม่ลงโทษอุมมาของนบีมุฮัมมัดแบบคนยุคก่อนเพราะคนยุคนี้บางกลุ่มกำลังเดินต่อว่าไปอยู่ที่กะบะเขาขอดุอาอยู่ตรงนั้นทำให้คนชั่วที่ทำบาปอยู่ในทั่วโลกนี้อัลลอ์ประวิงเวลาไม่ลงโทษแบบคนรุ่นก่อน นี่เป็นความเมตตาของ a ลล a h ประกาศที่สองว tense, ่ามากัน a l ล a h ม m u a z z i b วอันตาฟีหิมนบีมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคนที่ทำบาปตรงๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะให้เกียรติกับนบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยวะซัลลัมอาวันนี้นบีชีวิตมาอยู่แล้วนบีกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วแต่ ความดีก็คือพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่เดินต่อวาดอยู่ที่กบะบ้าและขอดูอาวบ้างนะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แค่นี้แหละอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ฉะนั้นน้ำท่วมเนี่ยค่อยๆมาเนี่ยไม่ใช่ตูมที่ไหนล่ะใช่ไหมมาแล้วก็ห น, นีทันไอพ้พอห น, นีทันเนี่ยแทนที่จะนึกถึงอัลลอฮ์กูเก่งกูแน่ลืมมารออีก ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยความบังเองิญทั้งหมดนั้นเป็นความต้องการของอัลลอฮฺทั้งหมดสนมุนนมิให้เวลาต่อครึ่งชั่วโมงนะกว่ามันจะมาหนะ่ะครึ่งชั่วโมงนะท่านคนที่สำนึกตัวเนี่ยแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าไม่สำนึกก็ถูกลงโทษจากอัลลอไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัดดูให้สุตุมาน แต่จงเดินต่อไปวํำดูแปลว่าจงเดินหน้าต่อไปตามที่พวกท่านถูกบัญชาให้ออกเดินทางในเวลากลางคืนไปเลยถามว่าเดินทางไปไหนอ่ะเป้าหมายมีไหมมีครับที่เดินทางออกจากหมู่บ้านตัวเองเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยไปเมืองชามอต่ออธิบายอีกเมืองชามอยู่ที่ไหนอ่ะเมืองชามเนี่ย ก็มีสี่ประเทศรวมกันสมัยนูน้นนะแต่สมัยนี้นะถูกแบ่งออกเป็นสี่ประเทศไปแล้วเพื่อให้มุสลิมอ่อนแอนะนะประเทศอะไรบ้างครับหนึ่งประเทศซีเรียกำลังรบไปอยู่ขณะนี้นะมุสลิมถูกฆ่าเต็มไปหมดรัฐบาลฆ่าเองนะครับสองเลบานอนสามจอร์แดนสี่อิรัก ตอนนี้ยฮูดีเข้าไปตรงนั้นเกือบหมดแล้วจะเล่นงานเกือบหมดแล้วเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นแบ่งด้วยแบ่งด้วยอะไรด้วยใช่ไหมนั้นละสีประเทศนั้นน่ะได้ชื่อว่าประเทศชามอะไรบ้างครับหนึ่งซีเรียรสองเลบานอนสามจแดน 4. ีอิรักทั้งหมดนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่เดี๋ยวเรามาแยกอีกประเทศเึินกับอิสราเอลน่ะก็จริงนันยินนั่นนั่ น, น, น, น, นอะไรนะประเทศอะไรนะประเทศปาเลสไตน์เนี่ยปาเลสไตน์เอ่อปาเลสไตน์ปาเลสไตน์มันอยู่ตรงกลางพอดีรอบหมดอิรักอยู่ด้วย อ, อันนี้เป็นต้นอ้าพี่น้องอัลลอฮฺสั่งให้นบีลูตน่ยไปอยู่ประเทศชามประเทศชาญกว้างมากกว่าในครุรานอายาอื่นมีอีก เราอธิบายบอกว่านาบีลูตเนี่ยอัลลอฮ์สั่งว่าลูดออกเดินทางไปนะตอนกลางคืนไปกับพ่อครัวทั้งท่านพอตอนเช้านี่นะสัญญาของอัลลอฮ์ตอนเช้าจะลงโทษคนหมู่บ้านของคุณเพราะคนเหล่านี้ทำบาปใหญ่มากเลยอะไรรู้ไหมฮอร์โมนเซ็กชวลโอ้โหบาปใหญ่มากเลยในี่วันนี้เมืองไทยเนี่ยฮอร์โมนเต็มไปหมดเลยนะทั่วโลกเนี่ยเต็มไปหมด แล้วคนทิงอัลลอ์เนี่ยส่งนบีมาสอนแล้วมาอธิบายแล้วมุสลิมก็เหมือนกันต้องรับรู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตกลงไปแก้กไขไปจัดการแล้วก็เราเนี่รออาณาจักหมดเลยนะประเทศทั้งหมดที่ทำบาปอยู่ในขณะนี้นรอการลงโทษจากอัลลอ์ทั้งหมดนั่นแหละอัลลอ์ไม่ลงโทษลงโทษเพราะคนทงผิดนะเช่นฝนไม่ตกน้ำท่วมีลงโทษจากอัลลอ์ทั้งหมดก็มีหะดิษอธิบายบอกว่า เอ้ยนเมื่ออัลลอ์ลงโทษแล้วยังยงฝนไม่ตกเนี่ยลให้เลาให้ฝนตกทำไมไายว่านาบีพูดบอกว่าในนะอัลลอ์จะไม่ให้ฝนตกให้แห้งแล้งแต่ตอนนี้ฝนก็ตกบ่อยๆนะเพราะอะไรคำตอบอธิบายอย่างนี้ที่อัลลอ์ให้ฝนตกมาเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สงสารสัตว์ที่อยู่ในป่าตอนละพังมนุษย์เนี่ยอัลลอ์ไม่ให้แล้ว <laughs> ที่ให้ตกวันนี้เพราะอัลลอฮ์สงสารสัตว์ที่อยู่ในป่าต่างหากละ่ะโอ้นี่พี่น้องครับเราได้ความรู้เยอะมากเลยนะอัลลอฮ์ฮามดุลิลลาห์อยา่างบรรงานที่เอ็มทีวเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฝนตกทำดูเลยนะหลายคนนี่ไม่ค่อยพอใจแต่ <laughs> นคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์อัลฮามดุลิลลาห์พม เขาเชิญผมขึ es, es, ้นเวทีตอน2องทุ่มกว่าหรือ3ามทุ่มอะไรเนี่ยผมจะพูดอะไรก็นึกว่าอ่ะอานดุอายอะไรพี่น้องอัลลอฮฺและอัลลอฮฺมะอะไรอัลลอฮฺมะฮวาลัยนะฮวาลาอะไรวะนะโอ้ Allah ให้ฝนไปตกที่อื่นอย่าตกบนเราให้พี่น้องอ่านว่าพร้อมๆกันผมลงมาจากเวทีผมพบดรอิสมาลุทฟีนั่งอยู่ในห้อง ผมกับวัลามกับกอดถ้าว่กับเขาเข้ามาจะยินผมอ่านดวอาเขาบอกเขาอ่านดวอาที่โรงแรมแล้วอ่านทำในโรงแรมไปนอนแค่คนมีเข้าใจศาสนาเนี่ยเขารู้ว่าควรจะอ่านดวอาอะไรไม่อ่านอะไรใช่ไหมไปนอนฉันอัลเลาะอ์ดาไม่มีในอิสลามไม่ไม่อ่านอนุญาตให้ดาด้วยแล้วฝนหยุดไหมหยุดอ่ะทุกคนอ่านพร้อมๆกันอัลลอฮฺว่า เนี่ยเป็นความเมตตาของเราแล้วก็มีบางคนมาคุยกับผมว่านี่ถ้าฝนไม่ตกคืนนี้ร้อนน่าดูเลยนะเนี่ยทางออกอัลลอฮฺทรงคนมานั่งคุยว่าเนี่ยถ้าให้อีหมานมันเพิ่มอ่ะก็บอกนี่ถ้าฝนไม่ตกหน้าคืนนี้ร้อนจัดแล้วก็มีทางออกอัลฮัมมัลลาฮฺรออ๋อมีคนดีมาสกิดให้เราฟังว่าถ้าฝนไม่ตกร้อน พอฝนตกแล้วเยน็นเราห้มด้วยเลยล่ะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุภาโนตะละไม่มีอะไรบังเอิญดังนั้นคนตามอัลลอฮทันหรือเปล่าเราตามอัลลอฮทันไหมล่ะอาจารเองบางทีเนี่ยอามัติที่อัลลอฮฺให้ที่บ้านบางทีมองเป็นเรื่องไม่ดีก็เยอะแยะไปหมดของที่อัลลอฮฺให้มาเป็นเรื่องไม่ดีไม่ถูกใจเราแต่ว่าเป็นเรื่องดี สองวันสาวันนะั่นแหละเป็นเรื่องดีสำหรับเราแต่เราเข้าใจไม่ถึงลึกนึกไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาภีน้องในคุรานายาอื่นนะอธิบายว่าอินนามอดมุซุบแท้จริงสัญญาของอัลลอ์เนี่ยตอนเช้า ทำไมอ่ะอาดาบเนี่ยมันมาสองช่วงนะพี่น้องอ่านกุณอ่านสรุปแล้วนะอาดาบมาสองช่วงช่วงกลางคืนกับช่วงเช้าๆ8 9, 10, 10, ้าแปด้าโมงสิบโมงเนี่ยตั้งเจ็ดโมงเนี่ยเจ9ดแปดเก้าสิบทำไมต้องเจาะจงอาดาบอัลลอ์มาสองช่วงเพราะว่าสองช่วงนั้นเป็นสองช่วงที่คนลืมลํำลึกถึงอัลลอฮ์ เอาช่วงหลับใครนึกถึงอัลลอฮ์บ้างอ่ะก็หลับกันหมดนงแล้ช่วงเช้าเนี่ยมันเพลินกับการค้าขายอ่ะอะอยู่กับตลาดค้าขายขายเนื้อขายเป็ดขายไกย่รอรับเงินทีห้าร้อยพันมันเพลินอ่ะ<ม>และคนที่อยู่ตามบ้านก็เหมือนกันดูนู่นดูนี่เราชมละคร ล, ลืมคิดถึงอัลลอฮ์อ่านเด็กนักเรียนมาเข้าโรงเรียนมาเรียนห น, นังสือกัน ลืมคิดถึงอัลลอก์เป็นส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นอาซาบมันจะมาในช่วงที่คนกำลังลืมนึกถึง AH. อัลลอส์ سبحانه และุทธาอัลละอ้าวเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ต้องพัฒนาตัวเราล่ะกลางคืนเราจะไม่นอนตลอดคืนใช่ไหมเราจะต้องลุกขึ้นมาบ้างอาทิตย์ละสักสามคืนได้ไหมหม่ม่เอาอาทิตย์ละครั้งก่อน เพราะเราไม่ค่อยได้ชินในเรื่องนี้ท้าวามันใหญ่เลยคือลุกขึ้นนมาตาหาญเนี่ยไอ mm. พอเราขึ้นบ่อยๆขึ้นบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละสองคืนได้แล้ววันจันทร์กับวันพฤหัสเพราะเราต้องถือศีลอดใช่ไหมลุขึ้นมาทานอาหารสะฮุเนี่ยก็ต้องตื่นก่อนทานสะฮุษแล้วก็มาหนามาดนน่นนามาดนี่นามาดอะไรนะกิยามุลเลนเนี่ยพี่น้องอย่างนี้พี่น้องถ้าอาสาบมันมาเพราะคนอื่นทำผิด เราอยู่ตรงนั้นเราถูกด้วยนะอาซามาเนี่ยเราก็ถูกด้วยแต่บ้านเราถูกเนี่ยเราตายในสภาพไหนเรายืนกำลังยืนนมาดอยู่ตายดีไหมดีกำลังนั่งสิกรุลลอออยู่ตายดีไหมดีกำลังสูดอยู่อยู่ตายดีไม่ดีนั่นเวลาเราตายดีมันก็ฟื้นมา ก, กับการที่เรากำลังสูดอยู่ต่ออัลลอฮ์อยู่ในวันกียามะเหมือนกัน ดันั้นในตอนสายๆเรามีนามาดอีกใช่ไหมน้ำหมาดอะไรดูฮาใช่ ไ, ไหมพี่น้องนี่ไอ้ภาพอย่างนี้เนี่ยซึ่งเรามองไม่เห็นน่ะแต่นบีก็มาสอนเราในเรื่องที่ชาวบ้านเขาไม่ทำใช่ไหมพอสอนแล้วก็นึกอัลลอฮฺอัลกุบะดังนั้นอาซาบมาสองช่วงกลางคืนกับตอนเช้าๆทําไมคําตอบก็คือสองช่วงนี้คนไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮ า, านาหูวะตาลานะครับ อะไรสรุบฮูบกลแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์คือยามเชา้ายามเช้าเนี่ยไม่ไกลหรอกเนี่ยไม่ใช่อาย่นี้นะอายาอื่นอธิบายอายาอื่นมาอังกีเป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายาที่หกสิบหกไม่ใช่อธิบายนิดหนึ่งการลงโทษของอัลลอฮ์มีมีมีอะไรบ้างมีทั้งหมดมีอยู่ห้ารายการนะ อุลามาก็แนะนำให้นะพี่น้อง 1. นงแผ่นดินไหวอ่านี่อาซาบเอาลอดทั้งหมดสองลมพายุลมพายุสามแผ่นดินถลมถลมมันสำคัว่าแผ่นดินมันยุบไปนะอ่าพี่น้องสังเกตตอนนี้มีบอยนะนะเมืองไทยในมีบ่อยนะในโลกก็มีบ่อยนะแตกแล้วถล่มไปเลย อย่างเงี้ซีฟ้าผ่าอย่าลืมนะไปน้องพวกอ่นอานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อสักสามปีที่แล้วเนี่ยตายถึงสามคนเพราะใส่อาซิมัดสายล่อฟ้าเต็มไปหมดเลยที่คอบ้างที่คอบ้างที่แขนบ้างสมัยนี้ยังดีอย่าเอาเชือกใส่แต่สมัยก่อนเอาเหล็กใส่กันนะ่ะนั่นสายล่อฟ้าจังหมดนะ่ะ นั้นมุสลิมนะอัลลอฮ์บอกว่าอยาใตะกุดอย่าใสานู่นอย่าใสานี้ไม่ต้องไปใสอะไรเลยมันสายล่อฟ้าทั้งหมดนะล่ออาดามอ่ะจะไม่ไปน้องแล้ววันนี้คนทําชีริกนะสายล่อฟ้านั่นอ่ะคนทําบาส น, นะสายล่อฟ้าใหญ่เลยนะคนทําสินาอยู่แตสายล่อฟ้าทั้งหมดเนี่ยแค่นั้นเลิกทําชั่วให้หมดเพราะมันเป็นสายล่ออาดามของอัลลอฮ์ลงมาเล่นงานตัวเองทั้งหมดเลย เอาที่หนึ่งอะไรนะอซาบารอบแผ่นดินะลมสองลมพายุสามแผ่นดินไหวสี่ฟ้าผ่าห้าฝนตกน้ำท่วมมันอยไปต้นนั่นต้องนึกครับอ้าวนาบีนึกยังไงเอาสุนทานาบีมาอธิบายให้กับตัวเราเองพอมีเมฆฝนมานาบีหน้าไม่ดีแล้ว เดินเข้าออกมัสยิดเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกภรรยาถามว่าทำอะไรนี่กลัวอะไรอ่ะนบีบอกฉันนึกถึงสมัยนบีอะไรนะอ่ะนานบีชว่วยพวกอาสมูรก็อลัลลอฮวาฮีให้นบีอ่ะรู้หมดอ่ะสมัยนน้นอลัลลอฮ์ลงโทษอ่ะ นึกว่าเป็นลมพายุนึกว่านึกว่าฝนอัลลอฮ์ดีใจที่ไหนได้กลายเป็นเมฆไฟทําลายประชาชาติตายหมดเลยทั้งหมู่บ้านอ่ะฉะนั้นเวลาเห็นอย่างนี้มาฉันก็กลัวอย่าอัลลอฮ์อย่าให้อดาดัมมาถึงฉันเลยนั่นคนเข้าใจอ่ะฉะนั้นอลัลเลมมากที่สุดมีความรู้มากที่สุดคือบรรดาอบีทั้งหมดเนี่ยอัลเลมที่สุดเพราะอัลลอฮ์ให้รู้อะไรเยอะอย่างพวกเราวันนี้เนี่ย รู้ผ่านวะฮีอัลลอฮฺไม่ให้เรามันต้องพื้รู้ผ่านอะไรนะผ่านรียอ่านหนังสือถ้าไม่อ่านไม่รู้เพราะเรามาใช่นบีเนะี่ยอยู่ดีดๆอลัลลอฮฺให้ความรู้พวดลงมามีที่ไหนอ่ะขนาดฝันยังดีใจก็ตายไปเลยแค่ฝันนะอลัลลอฮฺให้รู้เรื่องเดียวฝันถึงมะยกตัวอย่างฝันถึงยอยอตายมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเห็นฝันมาคืนยอหน้าสวย อ, อัลลอฮฺ นั่นอัลลอฮ์ให้ได้ให้มานิดนึงให้เห็นหน้ามะเรามาเยี่ยมเราแต่งตัวสวยหน้าสวยโอ้สดชื่นวันนี้นานๆานทีหนึง่งแต่นี้อัลลอฮ์ให้นบีเนะรู้เรื่องทั้งหมดน่ะเรื่องอาซาบข้างหน้าจะมีอะไรบ้างคนที่รู้อะไรเยอะๆเนี่ยเขาต้องระวังตัวอ่าจะพูดจาๆก็ระวงังระวังตัวหมดน่ะเพราะมันเป็นอาซาบทังหมดมันสายล่อฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเอาต่อมาครับ 66กดยนาอิเลฮิาลิกลอัมรอินดาบิรฮอัมุบีนเราได้กำหนดแก่ลูทให้รู้ซึ่งคำสั่งส่วนที่เหลือ ของพวกเหล่านี้คืออัลลอฮสั่งนบีลุตให้ออกเดินทางคนที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ออกนั้นพวกเขามักตัวถูกตัดขาดมาถึงตายถูกลงโทษมักตัวมาถึงถูกตัดถูกลงโทษตอนไหนมุสิบีใในช่วงเ ช, ช้าเล่าให้ฟังเลย คนที่ไม่เชื่อนบีลูตอัลลอฮ์ไม่ได้สัง่งอัลลอฮ์สั่งนบีลูตและคนที่เชื่อนบีลูตครอบครัวนบีลูตแต่ภรรยานาบีลูตเชื่อเป่าไม่เชื่อนะอะตรงนี้ทําให้เราเข้าใจง่ายๆเลยว่าสามีดีถ้าภรรยาไม่ดีสามีช่วยภรรยาได้ไหมไม่ได้พี่น้องจําเลย นึกตลอดเวลาอา้าวภรรยาดีและสามีเลวช่วยได้ไหมไม่ได้ตัวอย่างมีไหมมีครับเมื่อคืนเนี่ยพูดที่บางปลาเนี่ยสามีเลวภรรยาดีใครฟิรอโอุ่นภรรยาชื่ออาซียะอีมานต่ออัลลอฮ์ผ่านนบีมูซอาอะลัยฮิสสลามนางเบื่อประสาทเบื่อพระราชวังเบื่อมากเลย อยากอยู่ในมัสยิดอยู่ในบ้านอัลลอฮ์ถึงจะบ้านหลังเล็กๆก็ได้พราะใจมีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วบอกอัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันในสวรรค์ไหมอัลลอฮ์สร้างเลยไงเห็น ไ, ไหมด้นานหน้าเป็นชาวสวรรค์สามีนะ่รวยสุดๆแต่เป็นคาเฟอร์อ <Allah, Akbar. S 1> ัลลอฮ์อะตบากเห็นไหมแต่สมัยก่อนเขาอยู่ในกันได้เพราะ Allah อัลลอฮ์ยังไม่ห้ามนะแต่สมัยนี้ห้ามนะอยู่บ้านหลังเดียวกันสองศาสนาเนี่ยไม่ได้แต่ยังมีคนทํำไหมทํามี อ้าวก็นั่นล่ะสายล่ออาสาบอยู่นะเอาสายล่ออาสาบไว้ในบ้านหาเรื่องอ่ ะ, อะไ้เพราะไม่รู้เห็นไหมอย่าง ก, กีเปีตุนเอาต่อมาอายาที่หกสิบเจ็ดว่าเจออัลลมาดีนติยัสตบชิรนตอนแขกมาบ้านมาลายกาสามคนเข้าบ้านนาบีลุต พอเข้าบ้านนาบีรูดเนี่ยชาวบ้านรู้ได้ยังไงว่าแขกมาพรรยาส่โอ้โหถ้าสมัยนี้ฮัลโหลโทรา ศ, าศาพัพท์เิอว่าเอ้แขกมาแล้วนะละคนสวรรค์ น, นั้นนี่นะเห็นผู้ชายไม่ได้อารมณ์เซ็กมาเลยอะเห็นยังอารอ่อนลงโทษขนาดไหนอะเพราะว่าเขามองเซ็กชวนเห็นผู้ชายอลอๆไม่ได้วันนี้ดุจยานี่มีไหมมีครับ แล้วลองให้อยู่ยาวให้เห็นให้คนมเห็นอะไรต่ อ, อะไรเยอะไปหมดอ้าวที่นี่ภรรยาของนบีลูนเนี่ยประกาศส่งคนไปบอกให้แขกมาหาพาร์ีบ้านฉันมหาสามีฉันรูปร่างหล่อหน้าสวยมากันมาเลยเอา้าวดูต่อไปกอดยัสตาบชิรุนเนี่ยนะ ชาวเมืองได้มาอย่างร่าเริงผมดูในตัฟซิดภาษาอุนดูเนี่ยเขาบอกว่าร่าเริงแบบคนชั่วมาแบบหืมไม่ใช่มาแบบคนเข้ามัสยิดมาอะไรล่ะคนเข้ามัสยิดเนี่ยเขามาแบบอะไรนะค่อยๆเดินแต่งตัวสะอาดใช่ไหมพร้อมกับซิคลุนโลเดินเข้าบ้านอาลัลลอ์แต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่นะ เดินมาบ้านนบีรูดมาแบบออกลอ mm hmm. เต็มไปด้วยอารมณ์เซ็กซ mm ์ฮ hmm. าวานับสูแรงมากต่างกันเ mm hmm. นี่ยอุลมามะอธิบายดีได้ความรู้เยอะฉะนั้นมามาสัสยิดกับไปหาโสเพณีน่ะไปหาคนชั่วน่ะต่างกันนะ mm hmm. เดินก็ต่างกัน mm hmm. เนียดต่างกันไหมต่างกัน mm hmm. เนียด์สกรปรกหมดเลย mm hmm. ฉันต้องการเจียจะไปเนีย mm ่ย hmm. อร่อยเนี่ยมันจริงๆใช่ไมไอ้คนที่เดินมามัสยิดเนี่ยเดินอีกแบบหนึ่งไม่ซูบตำหนิด้วยนะคนที่มามัสยิดยาซูบุรีระหว่างเดินทางพอมาถึงมาประตูก็โยนบุรีทิ้งชึบแล้วก็ข้ามาอัลลอฮอักบรปากเหม็นมาเลย์กาวาอายาดูที่ดูดู ด, ด, ด, ด, ดูดูมันนมานสิซูบุรีเพิ่งเสร็จเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับโห่หอมกระเทียม นบีบอกว่าอย่ากินโหหอมกระเทียมแล้วเข้าสุราขอเพิ่มอีนิดหนึ่งยาสูบบุรีแล้วเข้ามาสัส ย, ยิดบางทีอิห ม, ม่ามเล่นเองด้วยงานนี้ท่านพี่น้องที่ทํางานโรงงานยาสูบตรงนึกหนักท่านเป็นเหตุทำเป็นคนฉบ้ากับสูบบุรีแต่ผมพบกับนนะักโรงงานยาสูบคนเป็นผู้จัดการใหญ่เปมุสลิมเขาบอกถ้าเราไม่สูบถ้าเราไม่เปิดโรงงานนะบุรีฝรั่งเข้าหมดเลย แล้วก็ทำบาปเองดีกว่างั้นก็เอาอเชิญมาต่อมาครับก็เลออินฮาอุไลดายฟีฟลาตฟบูนบีนุบีลูดพูดนะลุดกล่าวว่าแท้จริงท่านเหล่านั้นคือแขกของฉันที่มานั่งอยู่ที่บ้านสามคนน่ะแขกของฉัน ฟะละตฟบฮุนดังนั้นจงอย่าทำให้ฉันอับอายมากันทํามูบ้าเลยเน่เพื่อจะม า, าผู้ชายสามคนอัลลอฮ์แล้วก็คายเสียหน้าครับนบีเสียหน้าฉะนั้นการต้อนรับแขกเป็นของดีอ้นี้ต้อนเปลาไม่ต้อนใช่ไหมต้องงานที่จะมาหาแขกแล้วก็มาทำปูยี่ปูยำกับแขกใช่ไหม ก็ลูชาวบ้านพูดเองเพราะเมียแจ้งพระยาแจ้งให้ชาวบ้านรู้ว่าแขกพิเศษมาแล้วอวานันต์ฮากานิลาหลามีพวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้ห้ามท่านคือว่าเราห้ามท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าวันละแขกมาเนี่ยอย่าบอกอย่าเล่าให้ใครรู้ไอเรื่องของฉันเนี่ยไอยเรื่องเลวๆของฉันเนี่ยอย่าห้าม อย่าบอกให้ใครรู้ฉันบอกท่านแล้วใช่ไหมลูดเอ๋ยไอยคนที่บอกนะใครอะภรรยาภรยาเป็นสายตัวเองอะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยอุลมา ก, ก็ต่อ ย, ยอดบอกว่าทำไมศาสนาอิสลามในสมัยนบีลูดกับมุฮัมมัดเนี่ยต่างกัน สมัยมูฮัมหมัดเนี่ยอิสลามเจริญทั่วโลกเลยใช่ไหมทุกประเทศมีอิสลามอิสลามอิสลามในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเท่าไรในอเมริกาเพิ่มขึ้นเท่าไรในยุโรปเพิ่มขึ้นเยอะหมดแต่สมัยนูน้นอิสลามไม่ค่อยเจริญเพราะภรรยาไม่เอ า, าศาสนาเงเหมือนกันต้องการจะดูว่าครอบครัวเราวันนี้ถ้าพรรยาไม่เอ า, าศาสนาลําบากลําบากมากเลยพ่อเอาอยู่คนเดียวเ <c oughs> ข่าน้ำมงน้ามาอยู่คนเดียวแต่ ภรรยาไม่เอานะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่อาจบแล้วนี่อาาจบแล้วในอายาอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายบอกว่าเมื่อชาวบ้านก็วิ่งมากันมาที่บ้านนบีลุดนบีลุดพูดว่าลูกสาวฉันลูกสาวฉันเนี่ยมายจึงลูกสาวชาวบ้าน มีผู้หญิงด้วยทําไมไม่แต่งงานกับผู้หญิงแล้วมาแต่งกับผู้ชายทําไมคนแล้วนั้น อ, อ, อัลลอฮ์ลาอานัดลงโทษเห็นผู้หญิงไม่มีอารมณ์เห็นผู้ชายมีอารมณ์ผ่านมาแล้วนะไม่ใช่เรื่องใหม่นะวันนี้เขพวกขโโ่าวมเซกชวลทั้งหลายเนี่ยนั่น อ, อัลลอฮ์ลาอานัดนะน บ, บีลูดพูดเองลูกสาวของฉันเต็มบ้านเต็มเมือง <c oughs> ทําไมไม่แต่งงานแล้วนางสะอาดบริสุทธิ์ ทำาไมไมาแต่งงานกับนางมันมีอยู่คำหนึ่งนบีลูตพูดว่าลูกสาวของฉันลูกของนบีลูดหรือเปล่าไม่ใช่ลูกนบีลูดแต่นบีลูดพูดว่าลูกสาวของฉันเพราะอะไรคำอธิบายเป็นอย่างนี้อันนบีอูลาบิลมุมินีนามินอัมฟุซิฮินบีนั้นสนิทใกล้ชิดกับผู้ศรัทธาทั้งหลายยิ่งกว่าตัวของพวกเขา ลูกของพวกเราวันนี้ลูกผู้หญิงของพวกเราวันนี้นะเหมือนกับลูกของนบีเลยเพราะัลนบีนั้นกล้าชิดกับตัวของเรามากกว่าเรากล้าชิดกับตัวของเราเนี่ยอัลลอฮ์ยกเพราะฉะนั้นที่นบีลู้ด้วยว่าลูกผู้หญิงของฉันมาถึงวันลูกพวกท่านชาวบ้านเนี่ยทําไมไม่แต่งกับลูกสาวของฉันล่ะ ไปแต่งกับผู้ชายทำไมฉะนั้นต้องการจะอธิบายว่าลูกสาวของนบีทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกนบีลูกของเรานี่แหละแต่นบีก็ยอมรับว่าลูกของท่านก็เหมือนลูกสาวของนบีจะต้องดูแลให้ดีเอาใจใส่ให้ดีใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นลูกของเราต้องดูแลตามที่นบีสอนอธิบายอย่างนี้นะครับ วาสวายูหูอุมมาฮาตัวหุมและภรรยาของเขาทั้งหมดภรรยาของนบีทั้งหมดเนี่ยเปรียบเสมือนแม่ของพวกเขาด้วยฉะนั้นภรรยานาบีมีกี่คนเหมือนมะเราเลยวันนี้เราก็ต้องให้เกียรติยกย่องแต่มีพี่น้องอยู่กลุ่มหนึ่งด่าภรรยาด่ามะตัวเองมีไหมมีอย่าไปเอ่ยชื่อว่าใครรู้เองใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นภรรยาอบีทั้งหมดเราแต่งงานกับภรรยาอบีไม่ได้เพราะอัลลอฮฺให้ภรรยาอบีทั้งหมดจะอยู่กับนบีอีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นพี่น้องอยากจะอยู่กับภรรยาตัวเองในสวนสวรรค์อีกไหมวันนั้นภรรยาเขาเลือกนะภรรยาเขาเลือกถ้าภรรยามีสา ม, มีสามคนยกตัวอย่าง สามีคนแรกตายคนที่สองตายหรือว่าเลิกเลือกกันก็ตามในวันกิยามาเนี่ยเอาล่อให้ผู้หญิงภรรยาเรานะ่ะเลือกใครมีดุลยาไว้สามคนเขาจะเอาไข่อัลนบีเราเองภนะรรยาจะเลือกคนที่มีอัครากดีที่สุดมีมารยาทงามที่สุดตอนอยู่กับ น, นางบนดุลยาเนี่ยบริ แลนางอย่างดีไม่ตบไม่ตีไม่เตะใช่ไหมแล้วรับผิดชอบนางดีนางก็สบายใจอัลลอฮฺสามีดีท่นขออยู่อีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์แต่ถ้าสามีเตะเยอะๆนะเรียบร้อยนาว่าฉันไม่เอาแล้วผมมีคนคนหนึ่งคนอยู่ที่มะกรอกน้อยมีคงคนในคนมอมะกรอกน้อยแล้วมาหาผมปรึกษาผมว่า เอวันเกียรมาฟื้นขึ้นมาเนี่ยฉันจะอยู่กับภรรยาของฉันได้ไหมบอกว่าถ้าผมก็ตอบว่าแต่หากภรรยาดีคุณดีมาอยู่ด้วยกันเฮ้ยขอร้องไม่เอาได้ไหม <c oughs> ก็เป็นน้องคิดเองก็แล้วกันครับ <c oughs> <c oughs> ออาวันนี้จบแค่นี้นะครับ سبحان ุลลอฮฺรรมัลลิบะฮฺมดิการ์ซุลฺลลอฮิอิลลาอลันตะอัสตัฟิ ร, กขขรุกวะตูบุบุลัย peace a ร d b ม e ตุล n g s of a l l a ร be upon h i